Book 2 <26. S 3> Six <and> 2ยี่สิบหกชธรรมชาติอันดินอันรคุณเห็นหอคอยตรงนั้นไหมคะสี่ยี่ทเวรงดอร์คุณเห็นภูเขาตรงนั้นไหมคะ สัญญาณดิบาร์กตอร์คุณเห็นหมู่บ้านตรงนั้นไหมคะสัญญาณดิโดบตอร์คุณเห็นแม่น้ำตรงนั้นไหมคะส i ญญาณด r ราฟีร์ตอรคุณเห็นสะพานตรงนั้นไหมคะสัญญาณดิบรกตอรคุณเห็นทะเลสาบตรงนั้นไหมคะ นดมดอร์ดิฉันชอบนกตัวนั้นแอคเฟนต์ดีฟัวมวยดิฉันชอบต้นไม้ต้นนั้นแอคเฟนต์ดีบูมมวยดิฉันชอบก้อนหินก้อนนี้แอคเฟนต์ด s สเตรนมวย ดิฉันชอบสวนสาธารณะแห่งนั้นดิฉันชอบสวนนั้นดิฉันชอบดอกไม้นี้ diplo ดิฉันว่านั่นมันสวย ดิฉันว่านั่นมันน่าสนใจดิฉันว่านั่นมันงดงามดิฉันว่านั่นมันน่าเกลียดดิฉันว่านั่นมันน่าเบื่อ vind dit ดิฉันว่านั่นมันแย่เ i k vind dit vreeslik.